เป็นเช้าวันพร ะ, ะแหลมสิบสี่ถ้ำเดือนหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่พวกเราได้เรียกว่าทาั้งแหลมกลางป่านะถ้าจะพูดถึงกาอาจจาะทั้งแรลมกลางลำธารเนานะบางคนก็อยู่กลางลำธาริา ง, อางอยู่กลางโขดหินนะอยู่กับดินทรายบ้าง ไปสวดมนต์ข้างกองไฟนะแล้วก็ดิมทานน้ำไหลก็คงเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าคงหายากในชีวิตของเราที่จะได้กระทำเช่นนี้แต่จริงมาว่าที่จริงเป็นรสชาติของการเดินทุ ด, ดงจริงๆสมัยก่อนครูบาอาจารย์เวลาท่านเดินทุ ด, ดงส่วนใหญ่ก็คงข้างแรงกัางกลางป่าบ้างดิมน้ำทานบ้างนะ ของน้อยครั้งมากที่จะไปพักตามวัดต่างๆนะจะเป็นวัดบ้านหรือเป็นวัดป่าก็แล้วแต่นะก็คงน้อยนะเพราะปกติเวลาพากตุดมท่านก็จะเลือกที่จะคล้ายๆฝากกดนะก็จะมีระยะห่างหนึ่งโยศไม่ใช่หนึ่งกิโลเมตรจากหมู่บ้านก็จะเลือกคาเลซึ่งห่างอย่างน้อยหนึ่งกิโลเมตรจากหมู่บ้าน สมัยก่อนก็คงมีป่าเยอะนะในแต่ละหมู่บ้านก็คงมีป่าละเมะหรือว่าป่าชุมชนหรือว่าตามแนวเขาเยอะแยะมากมายการที่จะเลือกหาป่านะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคงทําได้ง่ายแต่สมัยปัจจุบันการที่จะหาป่าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าชาวบ้านเขาคงทําไร่ทําสวน ทำนาบุกรุกพื้นป่ากันมามากแล้วกนะารที่จะหาสถานที่แบบนั้นก็เรื่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ในหลายแห่งพวกเราส่วนใหญ่ก็พักกันตามวัดป่าเพราถือว่าก็ยังอยู่ป่านะเป็นวัดอยูนะ่แต่ถือว่าวัดไปอยู่ในป่าเราก็ไปอยู่ในวัดอีกทีหนึง่งนะซึ่งบางที่ก็สปายะมากนะ บางที่ก็สะดวกสบายมากนะหรือบางที่ก็อาจอาจะอัศคัดหน่อยนะแต่ก็ได้เป็นรสชาตแบบหนึง่งแต่เมื่อคืนเราได้อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่ากลางธรรมชาติจริงๆนะนั่งภาวนากลนะางทานน้ำไหลนะหรือว่านอนก็ได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นการข่มเกาจิตใจของเราให้เรียกว่ามีความสงบ มีความสบายนะแล้วตรงนี้จิตใจที่มีความสงบความสบายนี่แหละมันเป็นจิตใจที่เรียกว่ามีความสุขมีสมาธิก็ว่าได้สังเกตไหมถ้าเราแค่อยู่กับธรรมชาตินะน้อมฟังเสียงธรรมชาติจะเป็นน้ําไหลก็ดีลมพัดก็ดีหรือเสียงมแมลงร้องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะจิตใจของเราก็จะเรียกว่าคลายความกังวลจาก หลายอย่างไปได้เยอะเลยนะบางคนอาจจะเรียกว่าไม่กังวลเลยก็ได้รู้สึกสบายใจมีความสุขใจนะหรือบางคนถ้ามีความกังวลใจก็จะลดน้อยลงไปได้เยอะถ้าถ้าใจเราเปิดรับกับธรรมชาติรอบตัวจริงๆอันนี้ก็จะช่วยได้ได้มากนะแต่สิ่งที่สำคัญเราก็ไม่ใช่ อ, อยู่กับธรรมชาติเพื่อที่จะหลงไหลกับธรรมชาติเช่นนั้ น, นเราเปิดใจในการรับรู้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวแต่ก็ไม่ใช่ไปหลงไหลไปกับธรรมชาติรอบตัวแต่ไป แ, แบบนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะเหมือนคล้ายใบไม้ที่ล่องลอยตามกระแสน้าก็แล้วแต่กระแสน้ำจะพัดพาไปเช่นไรน เราไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้ไหลไปกับอ่ให้ไหลไปกับความเพลินความสุขความสบายเท่านั้นแต่เราเป็นผู้ที่รู้เท่าทันเวลามันสุขเวลามันสบายเวลามันสงบเกิดขึ้นต้องมีสติในการรู้เท่าทันว่าอ้อเมื่อมีสติรู้เท่าทันว่าตอนนี้มันสุขมันสงบมันสบายจิตใจมันเรียกว่าอยู่เหนือมันเป็นความสงบ ที่มากกว่าความสงบนะความสงบหรือว่าความสุขชั้นต้นนะที่เกิดจากการจิตมันสะวยอารมณ์ก็ว่าได้นะหรือว่าจิตมันสัมผัสกับอารมณ์แต่พอมีสติรู้เข้าทันจิตมันถอนออกจากอารมณ์นั้นมันกลายเป็นความสุขความสงบที่เรียกว่าอีกชั้นหนึ่งซึ่งฝา น, นี่ขึ้นมามันเป็นความสุขความสงบที่เกิดจากการมีปัญญานะ มีปัญญาที่ไม่เข้าไปหลงกับความสุขความสงบภายนอกแต่เป็นปัญญาในการที่เห็นว่าแม้แต่ความสุขความสงบเราก็ไม่สามารถไปยึดเอามาเป็นตัวเป็นตนของเราได้หน้าที่คือเพียงแค่ศึกษาเพียงแค่เห็นว่าจิตตอนนี้มันสุขมันสงบแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เข้าไปว่าถ้าพักเดี๋ยวจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปมไม่สามารถจะสุขสงบได้ตลอดเวลาหรอกถ้ายังไม่ใช่เป็นผู้ที่ เรียกว่าหมดกิเลสตันหายางแท้จริงเพราะว่ามันยังมีเชื้อของกิเลสเกิดขึ้นอยู่นะเหมือนกับกองไฟถ้ามันยังมีไม้ยังมีไฟอยู่มันก็ต้องย่อมไหม้ไปธรรมดาบางครั้งมันอาจจะปุ๊บกลายเป็นขี้เถ้าบ้างแต่ถ้ามันยังมีความร้อนอยู่มาคุย้ยมาเคียนะมีลมมาพัดขึ้นมามันก็ก่อไปกองไฟขึ้นมาได้นะจิตใจของ คนเราหรือของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะถ้านมันยังมีเชื้อของกิเลสของตัณหาอยู่นะมันก็พร้อมที่จะเรียกว่าลุกไหม้นะไฟของอะไรที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามั็นหน้าัวอยสุดนะไฟของโลภะไฟของโทสะไฟของโมหะนะไฟพวกนี้แหละมันเผาไหม้จิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทุกข์ร้อนนะ ร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโรคนะร้อนด้วยความหลงมันร้อนอยู่ในใจความร้อนตอนนี้แหละคือเปรียบเป็นความทุกข์ใจนะความทุกข์ใจถ้าเราศึกษาดูดีดสิ่งต่าตงๆพวกนี้ยมันเป็นความร้อนทางนั้นร้อนที่เกิดจากการเรียกว่าทยานอยากจะได้น่ะเช่นะเราปรารถนาอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ความปรารถนานั้นมันก็เรียกว่าเผาร้อนลนจิตใจของเราให้เรียกว่า ต้องทำตามความปรารถนานั้นต้องทำตามความอยากตรงนั้นเพื่อให้ได้มาเพราะคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาแล้วจะเกิดเป็นความสุขนะมันที่จริงมันทุกข์ตั้งแต่ตอนสแสวงหาตอนครอบครองถ้าไม่มีสติเข้าไปครอบครองก็ทุกข์เพราะว่าอยากจะรักษาไว้นะอยู่ต่อไปหรือว่าเมื่อสูญเสียสิ่งที่ได้มาแล้วนะก็ทุกข์ใจอีกเพราะว่า ไม่อยากพัดพาสูญเสียสิ่งที่ป่าถนานั้นเรียกว่าความทุกข์มันเกิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วก็ตอนที่อยู่กับเขาแล้วก็ตอนที่เขาจากไปเนะี่ยเรียกว่ามันเกิดทั้งสามสามขณะดนะควบคู่กันไปเลยนะอันนั้นแหละเนี่ยความทุกข์มันเป็นสิ่งนั้นนเี้ถ้าเราสังเกตดูดีดอ๋อที่จริงความทุกข์นี่มันมีตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะป่าถนาสิ่งใด ในทางที่เป็นไม่ใช่ทางที่ชอบนะประกอบด้วยการกระทำต่างๆแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าใจพลิกไปอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ใช่เกิดจากความปรารถนาที่เป็นความอยากแต่เป็นความต้องการตามธรรมชาตินะเป็นเหตุปัจจัยที่เรียกว่าเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเรียกว่าเป็นการใช้ ใช้กายหรือว่าใช้ใจเพื่อเพื่อความดำรงอยู่ได้เท่านั้นนาอาศัยเหตุปัจจัยมาเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความอยากแต่เป็นไปเพงเพื่อความบําบัดเพงเพื่อความบรรเทาเพื่อความอยู่รอดเท่านั้ น, นหรือว่าถ้าจะเป็นการกระทําทางจิตเพื่อบรรลุถึงมรรคผลนิพพานมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อ เพื่อที่เรียกว่าจะอวดหรือหรือว่าเพื่อที่จะเก่งหรือเพื่อที่จะดีจะเด่นอะไรน่นแต่ไม่เป็นไปในแบบที่เรียกว่าเป็นฉันทะเป็นความพอใจที่จะกระทําเหตุปัญนะหาคือความอยากที่จะได้ผลแต่ฉันทะคือความพอใจที่จะกระทําเหตุสองอย่างนี้บางทีมันดูคล้ายกันนะหรือบางทีเวลาเราพูดว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะบรรลุธรรมนะ บางทีมันก็พูดในแบบของตัณหาหรือเปล่าอแต่ถ้าเราพอใจที่จะกระทําเหตุพอใจที่จะรู้กายรู้ใจพอใจที่จะรู้สึกตัวในปัจจุบันพอใจที่จะทําำทําทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ตอนนั้นแหละเป็นความพอใจแม้ผลจะเกิดขึ้นตอนไหนหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเราพอใจที่จะกระทําเหตุให้ดีที่สุดแล้วอันนั้นแหละเป็นธรรมที่เรียกว่าสมบูรณ์มากอันนั้นเวลาเราภาวนาเพื่อที่จะฝึกจิตสุกใจให้สูงขึ้นไปสูงจากอะไรสูงจากกิเลสสูงจากตัณหาอ่าสูงจนกระทั่งกิเลสตัณหามาทําอะไรไม่ได้หรือสูงจนกระทั่งอันหมดกิเลสตัณหาไปเลย น, นั่นแหละเราทําที่เหตุทําที่เหตุก็คือมีสติมีสมาธิ มีศีลมีความเพียรมีปัญญามีหะายหล า, ายอย่างที่เป็นองค์มรรคนั่นแหละมรรคมีองค์แปดหรือจะเรียกว่าโพธิปักขิยตธรรมสาสิบเจดก็ว่าได้นะมีหลายอย่างประกอบกันไปตรงนั่นแหละเราเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆทําที่เหตุที่ปจัจจัยตรงนี้ให้ดีที่สุดเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยมันทําดีที่สุดมันถึงพร้อมแล้วผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมดานะ เช่นเราปลูกพืชนะแะปลูกอะไรก็แล้วแต่ปลูกต้นไม้ก็แล้วแต่เมื่อมเมล็ดพันธุ์ดีเมื่อดินดีเมื่อน้ําดีเมื่ออากาศดีพืชก็จะ ง, งอกงามขึ้นมาเมื่อถึงฤ ด, ดูการในการออกผลนะออกดอกออกใบเขาก็ต้องออกมาเป็นธรรมดานะเราทําเหตุให้ดีในการปลูกในการดูแลรักษาในการรลบน้ําปนดินพืชผลก็ยัง งอกงานเป็นธรรมดาเหตุของการภาวนาก็เช่นเดียวกันนะเพียงแต่รักษาสินให้ดีนะรักษาศินอาจจะไม่ใช่สินที่เป็นข้อศิลห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยยี่สบเจ็ดสินตรงนั้นก็เรียกว่าต้องรักษาให้ถูกกับสมมติก็ต้องรักษาแต่สินที่แท้จริงก็คือความเป็นปกตินี่แหละนอหรือจะเรียกว่าอีกอย่างก็ได้สินคือความที่รู้จักสำรวม อินทะรีย์น่ะตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจแต่สํารวมไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ไม่ได้ฟังหรือว่าไม่สัมผัสอะไรแต่เป็นการสํารวมที่เกิดจากพอรู้ทันเวลาสิ่งที่กระทบเกิดขึ้นสิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจกระทบแล้วรู้สึกอย่างไรนะอันนี้แหละคือการสํารวมคือการรู้ทันนะรู้ทันอะไรรู้ทันกิเลสรู้ทันตัญหา เมื่อมันเกิดขึ้นทางตาดูทันนะว่าตามันเห็นรูปแล้วรู้สึกอย่างไรหูได้ยินเสียงแล้วรู้สึกอย่างไรจิตใจคิดนึกปรุงแต่งแล้วรู้สึกอย่างไรอันนี้แหละคือการรูทันนะแบบสํารวมระวังอย่างแท้จริงอันนี้แหละจะเป็นศิลอย่างยิ่งของนักปฏิบัติธรรมสมาธิก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สาคัญเช่นเดียวกันสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับที่ไหน ตั้งมั่นในการรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นในการที่ไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่ไหลไปกับอารมณ์เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่โค่นไปที่ไห น, นเหมือนกับก้อนหินที่ตั้งมั่นอยู่แม้ลมแม้น้าจะกระทบอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวไปที่ไหนจิตมันตั้งมั่นแต่ไม่ให้ตั้งแล้วก็นิ่งไม่รับรู้อะไรแต่เป็นการตั้งมั่นแบบรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีลมกระทบสัมผัสก็รู้สึกตัวมีคําพูดจากคนอื่นเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวหรือมีคําพูดภายในใจเกิดขึ้นก็รู้ทันไม่หลงไปไหลไปรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในและเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นควรแก่การงานจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถทําได้จะเป็นงานภายนอกก็ไม่ลังเกียรติไม่เกียรติทารนะ หรือจะเป็นงานภายในในการค้นคว้าในการศึกษากายแล้วก็ใจเขาก็สามารถทําได้อันั่นแหละคือสมาธิที่ตั้งมั่นควรแก่การงานนะเมื่อักมีสมาธิจริงมันเรียกว่ามันขยันทํางานนะขยันทํางานนะจะไปงานที่มันขยันคืออะไรงานที่ดูกายดูใจของตัวเองบ่อยๆมันขยันแบบไม่รู้สึกเหนื่อยนะมันขยันทําของมันเองนะ ไม่ได้ต้องเขี่ยวเข็นอะไรมันมากนะแต่มันก็ทํากับมันดีเพราะว่ามันมีความเรียกว่าทําแล้วมันมันสบายมันเพลินคล้ายๆเหมือนกับเราเดินในที่ล่มในที่ราบเรียบนะมันเดินได้แบบสบายสบา ย, บายเดินไปได้เรื่อยๆนะเดินแล้วไม่จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อจิตมีสมาธิก็เป็นเช่นเดียวกันนะการเดินทางภายในมันก็จะสามารถเดินไปได้เรื่อยๆเดินได้แบบเรียบเรียบ เดินได้แบบสบายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแม้บางคราวจิตอาจจะมีนิวรมามาเรียกว่ามาคอยดึงให้ออกจากสมาธิบ้างหรือมีความคิดฟุ้งซ่านมาปรุงแต่งจิตบ้างแต่จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็จะเรียกว่ากลับมาเป็นปกติได้เร็วมากกลับมาเป็นปกติได้ เพียงแค่ไหลแค่หลงไปแป๊บหนึ่งก็กลับมาเป็นปกติได้นะหรือบางทีถ้ามันตั้งมั่นมากๆไม่จะมีอะไรมาดึงออกไปมันก็เห็นเลยว่าความตั้งมั่นมันเป็นสี่ตัวหนึ่งแต่ตัวที่มาดึงมันก็มาเกาะ อ, อีกตัวหนึ่งนะแต่มันเกาะแล้วมันดึงไปไม่ได้มันก็เป็นคนละส่วนกันมันเห็นได้ว่าจิตที่เป็นปกติเป็นเช่นไรจิตที่อหรือว่าความหลงที่จะมาครอบงำจิตมันเป็นเช่นไรนะ เหมือนกับสิ่งสองอย่างที่มันแยกจากกันอยู่นะแยกจากกันเพียงแค่เราไม่เอามารวมกันมันก็ไม่มันก็ไม่ปรากฏให้มันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเหมือนกับน้ำที่บริสุทธิ์กับสีผสมอาหารถ้ามันอยู่คนละส่วนกันน้ำมันก็ไม่เปลี่ยนสีนะคล้ายๆสีผสมอาหารมันอยู่ในตองมันไม่สามารถเข้ามาเจือปนในน้าที่บริสุทธิ์ได้น้าก็ไม่เปลี่ยนสีจิต ที่ตั้งมั่นก็จนเป็นช่้นเดียวกันเมื่อจิตมันตั้งมั่นแล้วกิเลสตัณหาจะเข้ามาย้อมจิตก็ไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าจิตมันมั่นคงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้ตลอดไปบางครั้งมันอาจจะเผลอไปโดนกิเลสตัณหาย้อมบ้างเราก็อาศัยสิ่งที่เราฝึกนี่แหละมีสติคอยดูทันเมื่อรู้ทันแล้วมันเป็นความมาัศจรรย์ของจิต เมื่อรู้ทานแล้วไม่ต้องทำอะไรจิตมันก็กลับเป็นปกติของมันเองอ่าโดยโดยความที่เรียกว่ามั่นคงแล้วก็กลับมาเป็นปกติของมันเองได้เนี่ยความหลงเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นอความรู้ก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนที่จิตก็กลับมาเป็นปกติแทนที่ที่จริงเหมือนกับเรานั่งบนโขดหินแบบนีน้โขดหินมันก็อยู่ของมันเป็นแบบนั้น น้ำมันก็ไหลผ่านโขดหินไปเรื่อยๆน้ำอาจจะว่าติดโขดหินหรือเปล่าก็ติดติดแต่มันก็ไหลต่อไปเรื่อยๆมันก็ผ่านไปเรื่อยๆจิตของเราก็เช่นเดียวกันเนาะจิตที่แท้จริงมันแค่เปรียบคล้ายเหมือนโขดหินอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับน้ําที่มันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะน้ําทุกหยดน้ําทุกสายไม่ได้ค้างนิ่งไว้ในที่เดิมมันผ่านไป แม้แต่น้ำที่เรียกว่าอยู่ในบอ่ออยู่ในที่นิ่งๆมันก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่กันอยู่เสมออยู่แล้วไม่ใช่ว่าแค่อยู่ที่เดิมตลอดไปจิตของเราก็เช่นเดียวกันอารมณ์มันก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้าไปนะแต่เราจะทำอย่างไรเจืงต้งฝึกเจือกระทั่งนะอารมณ์มันผ่านมาแล้วจิตมันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเห็นเพียงแค่อารมณ์มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จิตมันตั้งมั่นเพียงเพียงเพีย ง, งแค่ผู้รู้ผู้ดูอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นหรือจนกระทั่งสุดท้ายทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าถอนกิเลสตันหาออกมาจากจิตใจได้ทั้งหมดนะจิตใจก็คืนสู่ความเป็นธรรมชาติบริสุทธิแท้จริงนะเป็นการเพียงแค่อาศัยอารมณ์อาศัยความรู้สึกอาศัยความคิดมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ใช่โดนอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความคิดมาครอบงำจิตใจนะ พราะคนส่วนใหญ่ความหลงบางทีก็หลงที่เกิดจากการคิดนี่แหละคิดหาเหตุหาผลเพื่อเข้าข้างตนเองคิดปรุงแต่งฟงสร้างจนกรทั่งน้นงนอยไม่หับจนทั่งเป็นทุกข์จนกทั่งวิตกกังวลหรือบางทีก็หลงไปกับอารมณ์นะอารมณ์ดีก็ดีดีอารมณ์ไม่ดีก็เป็นนางร้ายเป็นมารยักษ์ไปแบบนี้ทําตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกบ้างหรือบางทีบางคนก็อาศัย ความรู้สึกเป็นใหญ่นะความรู้สึกอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอาศัยความรู้สึกเช่นนี้เป็นตัวตัดสินทําอย่างไรเราถึงจะอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกหรือว่าอยู่เหนือความคิดได้น่ะตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจ้ำฝึกเสจอถ้ามันเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าธรรมชาติที่แท้จริงของกายและของใจมันเป็นเช่นไร มันเป็นทุกข์อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไหมมองให้เห็นมองให้เห็นกายมันเป็นทุกข์มองลงไปบางคนอาจจะถนัดในการพิจารณาก็ไม่ได้เสียหายก็พิจารณาได้หรือบางคนจะใส่การมีสติแล้วก็ค่อยๆดูกายไปเรื่อยๆเจนตั้งเห็นอณิจังของของกายแต่ที่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างทุกสายในการภาวนาก็ต้องมาเห็น นะมาเห็นเรื่องของจิตใจเช่นเดียวกันนะก็ามาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของจิตใจบางคนอาจจะถนัดในการเห็นว่าใจมันทุกข์อย่างไรนะเห็นความร้อนความรนความหนักความเบาที่เกิดขึ้นกับใจนะบางคนอาจจะรู้สึกสัมผัสได้เอ้ใจช่วงนี้มันหนักใจช่วงนี้มันเบาอันนี้ยอาจจะคล้ายๆเป็นการเปรียบเทียบว่าเห็นทุกข์ของใจนะมันทุกข์มากบ้างมันทุกข์น้อยบ้างนะ หรือบางคนอาจจะถนัดในการเห็นใจมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเห็นใจเดี๋ยวก็ปกติอ่าเดี๋ยวก็เห็นใจผิดปกติไปเห็นใจมีอ่สาสำคาญมาปรุงแต่งแล้วก็เห็นใจที่สังคาญปรุงแต่งมันดับไปบางคนก็ถนัดในการเห็นเช่นนั้นเรียกว่าเห็นอนิจจังเป็นความไม่เที่ยงหรือบางคนดูแล้วก็เห็นแล้วก็รู้ชัดถึงความไม่ใช่ตัวตน รู้จักกระบวนการที่มันเกิดขึ้นอ้อมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหตุเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วก็มาประกอบกันเลยเกิเลยเกิดเป็นผลเช่นนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเพียงเพียงแค่เหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นประกอบกันแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นนั้นบางคนก็ถนัดเห็นแตกต่างกันไปแต่เห็นเช่นไรก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อเหตุแล้วมันจะเกิดผลเช่นเดียวกันคือผลก็คือคลายความยึดมั่นถือมั่น คลายความทุกข์จอกทั้งหมดทุกข์เช่นเดียวกันเกิดปัญญาได้เช่นเดียวกันนะอฉะ น, นั้นวิธีการมันแตกต่างกันไปนะไม่เป็นไรแต่ขอให้จับหลักให้ถูกต้องมันเป็นสายเดียวกันนะเหมือนกับกระแสน้ํานะจะเป็นต้นทานเล็กๆจากต้นน้ําที่ไหนจากยอดเขาที่ใดก็แล้วแต่ก็ต้องไหลมารวมกันคือแม่น้ําที่ใหญ่ที่เป็นแม่น้ําหลัก กระแสในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะสำนักใดกูบาจารย์ใดรูปแบบใดก็แล้วแต่ไหลรวมกันมาสู่หลักของสติปัฏฐานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีสติในการรู้กายมีสติในการรู้เวทนามีสติในการรู้จิตมีสติในการรู้ธรรมมารมที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นกระแสฐานหลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะก็ ก็ฝากไว้นะในเช้าวันนี้ก่นะอนที่พวกเราจะเดินทางต่อไป